เซขะปฏิปทาสนทยาธมิกถาวันที่ส3ามกราคมพศ2547าเรื่องบรุรณาการการศึกษาภาคที่หนึ่งตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมพภพโชติปัญโยคิดไปมองไปเห็นญาติโยมผู้ที่ผู้ที่ไม่ได้มาเขา้าคอต่มาฟังธรรม ก็ยิ่งเป็นห่วงไม่รู้จะเอาอย่างไรดีงานนี้เราต้องเือว่าเป็นงานชนิดที่เรียกว่าบูรณาการเราหู้กันไปบ่อยเพื่อให้เข้าใจให้มันสมบูรณ์แบบทุกฝ่ายที่มาร่วมกันในขบวนการอันนี้ทั้งแนวของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบ การตั้งแบบใหม่และดั้งเดิมแบบเก่าแต่สืกขาระบบพัฒนาชีวิตไปทางระบบเราจะต้องเอามาผสมผสานกันผสานระบบผสานหลักสูตรผสานแนวทางร่วมกันมันจะได้ดีจะได้ประโยชน์เป็นเหมาะสมกลมเกินไปด้วยกันถ้าว่าตามหลักสูตรแล้ว แบบใหม่เกือบจะบทบังแบบเก่าแบบเจริญสมาธิภาวนาไตรสิขาศินสมาธิปัญญามันจะบทบังไปทีนี้เราต้องอารจะให้ได้ประโยชน์ทั้งสองอุโพอเทอธิคณาอาิปดิโตที่พุาทธเจ้าเขาบอกว่าบัณฑิตย่อมถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองไม่ว่าจะจะด้านใดก็ตามพอดียุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่โลกทั้งโลกเขากำลังเรียกร้องหาการกระทำการบริหารการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นแบบในแนวบูรณาการคือมองทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันจะเอาไปอันหดึง่งอันใดนอันหนึ่งไม่ได้เพราะมันจะดูอยู่ด้วยกัน โลกทั้งโลกเขาจะมองไปที่ระบบนิเวศนิเวศเป็นภาษาบาลีนิเวสนังการผูกพันอยู่ร่วมกันชีวิตทั้งหมดที่อยู่ร่วมกันใ น, ในสภาพแวดลอ้อมเดียวกันนั่นคือนิเวสนังอย่างว่าการไปอยู่ร่วงผูกพันด้วยตันหา ต่นงากที่เอยู่ในระบบนิเวศนะโลกพอไปใช้มันก็จริงด้วยเพราะวิจารา์ให้เรามองทุกอย่างในโลกนี้เป็นอิทับปัจจยตาเป็นภาพสตาวิบะอิทับปจัจจยตาอิทัแต่วอันนี้ปัจจยตาอิทัททททททนี้ปัจจยตา อันนี้เป็นปัจจัยให้อันนี้อันนี้ที่เกิดขึ้นเนียอาศัยกันอาศัยปัจจัยนี้ก่อนเกิดปันจัยนั้นตนัเป็นปวความความความความที่อาศัยกันเกิดขึ้นทุกอย่างในโลกนี้แลว่ามองภาพรวมในขณะนี้พระนีที่เลืองอารามอยู่ในขณะนี้ มีชีวิตอยู่ได้สืออายุพระศาสนารักษาพระธรรมเนีงอาสัยญาโจมถ้ามีไม่มีญาดโจมมาสนับสนุนพระสงฆ์ทั้งหมดมันสามารถจะรักษาพระศาสนามาถึงเราในขณะเดียวกันญาดโดดดยมทั้งหลายผู้ไม่ได้บวชแต่ได้เข้าถึงศีลถึงธรรมถึงคุณงามความดีได้ประโยชน์สูงสุดแห่งชีวิต จากฟุสตสะท้านานี่ด้วยอาศัยพระสงฆ์มันก็จุดจุดไปอทับปัจเจตตายู่ในตัวมันที่เขาเรียกร้องหาเรื่องระบบบบรณากาณ์นั้นเขาพูดใหม่แต่เขาทําทําแบบเก่าของเราที่ผู้จ้าทั้งสอนแล้วโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนานั้นจะมองโลกนี้ทั้งหมดโยงใหญ่ เกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหมดถึงจะแยกแยกออกมาเป็นวิพัชนาทีเป็นแผนเป็นแยกเป็นส่วนมาแต่นั้นที่สุดก็โยงเยวถึงกันหมดพฤติกรรมของมนุษย์สามารถกระทบกระเทือนไปถึงดินฟ้าอากาศถึงเทวดาถึงฟ้าถึงดินถึงลมถึงฝนหมากรากหมายถึงฟ้าถึงฝนนี่เป็นระบบโบราณการอย่างใหญ่ที่สุดทั่วทั้งสุริยะจักรวาล แล้วพว่อละมาในวันนี้มาอบรมกันในคอร์สนึ่งที่เรกอาตมาไม่กล้าจะบอกไปไหนมาไหนก็ไม่กล้าจะบอกว่าจะมีงานประชุมอบรมพระสงฆ์รวมก เ, เป็นเสขะปฏิปทาที่นี่ไปในงานใหญ่ๆมีมีคนมากมๆาก็ไม่เคยจะไม่ค่อยจะพูดพาอเรามองไปว่า ถ้าท่าได้พูดออกไปเผื่อญาติโย ม, มาง ม, มากหนักใจเรื่องเรื่องสเสบียงกลัวว่าจะรอเลี้ยงกันไม่หวไม่ไหวเนื้เรามันอยู่ไกลห่างสถานที่ซื้อที่หาได้แหล่งเงินทุนที่จะมีมีมาสาั่งจงมันก็ไม่มีก็เลยหนักใจก็เลยไม่ค่อยบอกใครแต่พอเอาเข้าจริงๆพวกเราก็มากันมาก รวมดูทั้งพระทั้งโยมประมาณสักหกเียดร้อยเมื่อคิดดูแล้วเราคงปิดบังกันไม่ได้แต่ต้องบรุรมาการดังที่ผูรู้จักท่านบอกสคาราวาจะอนาคาราอุโพอันโยยะนิสสิตา อาลาทายันติสธรรมโยคเข้มมังนุตรังพิสุจทั้งหลายทั้งคาราว่าผู้ครองเรือนและนัก บ, บวชผู้ออกบวชแล้วจากเรือนทั้งสองฝ่ายเจ้าได้อาศัยอยู่ซึ่งกันและกันด้วยอาศัยอำนาจแห่งอามิสณาน และธรรมทานจึงร่วมกันต่อพืชพมจันนี้ไปถึงความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้โยคะเขมังอนุตตรังคำนี่ท่านพูดไปไปว้ก็ดจะไม่ไม่ชินไม่คุ้นหูโยคะแปลว่าเครื่องผูกผู้พันชีพิตจิตใจของเราเขมาาเขมังกเกษมคือปอดป่งโล่งถง จากเครื่องโคพัน์ให้จมดิ่งลงไปในห้วงแห่งควาพูดในวัตสงสุทาหนึ่งถ้าอนุตรังก็อย่างยอดเยี่ยมแต่ให้มันถึงจุดยอดเยี่ยมของศาตนาของภมกันที่เรียกว่าโยคัคเค ม, มังอนุตรังต้องอาศัยกันทั้งสองฝ่ายนี่คือเราบราณก า, ารสุดทาท่านสรุปว่าอีเทวมิถังอัญญะมันอย่าง น, น, านิสายะเพราะมจะอย่างบุญติ โอหัสสันิสระนาญาอันโตทุกขสสัมมาอันตักริยาญาติที่แทแล้วทั้งสองฝ่ายได้อาศัยอยู่ซึ่งกันและกันอันยะมันยังนิสัยะอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันผมมเจออย่างวุจติ เพื่อกระทำโมจันนี้ให้ถึงที่สุดบริบูรณ์ได้โอคัตสนิสรณัายะเพื่อสลัดตนออกจากโอคอวัตตบสานนี้สัมมาทุกขคยะอันตกิริยาญาติและการทำที่สิ้นสุดทุกโดยชอบได้พูดสันส้นๆง่ายๆมันก็จบไปง่ายๆเต่ไม่เข้าใจหมายความว่า แต่ว่าพืชพมันจกนี้ไปจนถึงที่สุดที่ดูอนุตโคลัตส์อันตรโยคัสโยคัโยคัเคมีโยคัเคมัตรอนุตตรัะปอดโป่งกระเสมจากโยคจากย อ, อดเยี่ยมคือสูงสุดได้ก็ต้องอาศัยฝ่ายนอกแต่โยง ใช้ยาจงเองก็เหมือนกันจะต้องอาศัยพระช่วยกันอย่างนี้จะไม่เรียกว่าบูรณ า, าการได้ยังไงจะต้องบูรณ า, าการไม่ควยจะทอดทิ้งนะแสดงปีต่อไปคงจะปกครอปีบัตรกันไม่ได้จะต้องจัดระบบใหม่ให้มันดีงามกว่า น, นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเสียงที่ใช้อยู่ต้องให้มันดีกว่า น, นี้เพราะได้ช่วยให้ได้ที่นี้มันจะพูดถึงระบบการศึกษาของเรา เราจะต้องตอกย้ำให้เขา้าใจกันอีกและจริงจะขายายไปสู่เรื่องไต่สิกขาแบบแบบดังแบบให้มันครบวงจรให้มันสมบูรณ์แบบเราอย่ามองว่ามีแต่พระแต่นี้นะนะเป็นเป็นนักศึกษาเราจะมองว่าการศรึกษานะั้นเพียงแก่การเราเรียนในห้องเรียนเราจะต้องมองให้ถูกว่ามันศึกษาที่แท้จริง มันมาจากคำว่าศิษขาบาลีสันธิกิจว่าศิษาภาสถานการณเปลยนแปลงเป็นศึกษาความหมายที่แท้จริงมันหมายถึงฝึกฝนอบรมตนพฤติกรรมทางกายทางวาจาและจิตใจพร้อมทั้งสติปัญญาครบรอบครอบคุมทั้งระบบของการพัฒนาชีวิตสู่ความเป็นอริยชน คำว่าอาริยะชนก็เป็นคำหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจอริแปลว่าฆ่าศสก็ยัแปลว่าไปําเรียอาริยะชนเราชนผู้ไปไกลห่างแล้วแต่ฆ่าเสร็จด้วยการพัฒนาตามระบบอันศึกษานี้อะไรคือฆ่าเสร็จของเราคือความทุกข์ปัญหาชวิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความแตกสลายความพัดข้าความพัดภาคซึ่งมันเกิดมาจากการกระทําการดำรงชีวิตที่ผิดพลาคของเรามันทุกข์ลงเข้าไปยึดมัน่นหรือมันลงเข้าไปยิดถือแบกเถินในความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายในธาตุในขันต์จะต้องมาศึกษาใหม่มาฝึกฝนฝึกหาพัฒนาเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพื่อออใจสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่าโอคัสนิสระนทายะอันโตทุกข์คัสะอันตะกิริยายาติ เพื่อสลัดตนออกจากโอคะทำที่สิ้นสุดทุกโดยชอบทุกไปไม่ถึงนี้จากทุกให้ไกลหางทุกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเจอาหมองความาพะพากจะลองขอใส่ยา ด, ดยไม่มีเสียงลองขอใส่ใส่สยา ด, ดยที่นี้เรามาพูดถึงเรื่องการศึกษาดังกล่าวมาแล้ว เราอยากเข้าใจว่าการศึกษาเพียงแต่การเรียนอยู่ในห้องเรียนเมือนพักเมืองเนรีลสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนดอกแหมือนพทธเจา้าโน้ น, นสืบทอดศาสนา ม, มาถึงเราแต่ก่อนก็ไม่ได้ไม่มีโรงเรียนแต่ท่านก็ไม่ไม่มองข้ามการจดการจำต้องเรียนต่อปากต่อคำกันจากผู้บาอาจารย์หลังจากนั้นพอบวชปุ๊บอุปชาก็จะบอกทันทีเรื่องการศึกษา ตสม า, าธิหัตถีก็พิจาราธรรมวินัยยีถ้ากตเวทีวันนี้ทา่านเดยบวชแล้วนะในธวินัยอทพระสมานพระภกษุทจาวตัดไว้ดีแล้วท่านจงจักสกจังอาทิจิตะสิขาสิกิตพาสกจังอาทิจิตสิขาสิกิตพะสกจังอาทิปัญจสิขาสิกิตพา ท่านจงตั้งใจเคารพจากแรงค่าในการศึกษาฝึกฝนอบรมในเรื่องอาทิศิลมันมีคาว่าอาทินะซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปตามแต่การเวลาและสุขภาพมันจะเอื้อหนุยให้อาทิศิลคือศิลันยิ่ ง, ง อ, อจจาทิจิตอาทิจิตตะศิขาสิจิตตะพังจิตอันยิ่ง ต้องตั้งใจศึกษาอย่างแรงข้าโอลมอย่างแรงข้าอธิปัญญาศึกขาสิคิตรพันติจงตั้งใจศึกษาปัญญาอันยิงน่งมีอย่างแรงข้านะอุปชาบทเมือ่อบทเมื่อบทเสร็จผู้บวชใหม่ก็จะรับปะอุปชาบะอามาพันติขอเรากับผมถ้าพูดเป็นภาษาลาวไปโดยเขาหน่อยเหตุนนะันมันอยู่ดอก กายิ่วั่นไหวเ่อยเรื่อยสัิกขาตัวนี้ที่เราเรียกว่าการศึกษานั่นแหละแต่มันไม่ได้หมายถึงการไปเรียนไปสวดร้องขอบบ่กอยู่ในห้องเรียนมันหมายถึงการปฏิบัติไปในชีวิตที่แท้จริงเป็นการศึกษาในตัวชีวิตที่แท้จริงในพฤติกรรมทางกายทางวาจาเรียกว่าสิณ ต้องควบคุมต้องฝึกหัดพัฒนาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้เองแนย่งไม่พอต้องมีอาทิเข้าไปอีกสองสามวันที่เราพูดมาเราจะพูดในเรื่องสมาธิแต่วันนี้เราคงจะต้องย้อนอีกหน่่ยเพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์ให้มันเป็นบลรณาการทั้งเรื่องศีลด้วยตกลงแล้วเรามารวมกันทั้งฝ่ายนักบวชและฝ่ายชาวบ้าน และนักบวชทีไ่ได้เรียนได้ศึกษาแบบจัดตั้งในมหาวิทยาลัยแบบใหม่และนักบวชผู้บวชแล้วได้ศึกษาแบบร่างเดิมแบบโบราณคือศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเจอพากันเดินทุดงกันหน้าดำหน้าคลําเอจเหนื่อยเมื่อไหร่นี่คือตั้งใจเพื่อศึกษาเหมือนกันก็เลยเป็นการวาดระบบการศึกษาสองสอ ง, สองแบบมาบูรณาการที่นี่มารวมกันที่นี่ ประสานระบบประสานหลักสูตรประสานแนวข า, างผู้รณาการร่วมกันที่นี่ยิ่งที่นี้เขาเรียกร้องหาเขาเรียกร้องหาการปฏิรูป ก, การศึกษาเราปฏิรูปเสเลยไม่ต้องให้ใครมาปฏิรูปเราปฏิรูปนั้นเป็นภาษาบาลีนะปฏิรูนะปน่ะปฏิรูปแปลว่าทำให้เหมาะมันสมมันกลมมันกลืน มันสอดของดีงามปฏิรูปการศึกษาการศึกษาให้มันเหมาะสมกลมคือนสอดของดีงามสมม่งผลกับแก่ฐานะภาวะสภาพเป็นร้องสภาค่าเป็นอยู่และสภาพชุนชมอย่าง น, นี้เราก็ะเลยต้องมาปฏิรูปเลดงถ้มันเกิดไปอยู่สูงสดุดโดยประสานประสานระบบ ทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกในคือเรื่องเดืองนอกคือขาวๆเอามารวมกันที่นี้เก่าคือระบบการศึกษาแบบจัดตั้งหวังผลิตเพิ่มผลผลิตให้เกิสังคมเก่าระบบการศึกษาไปศึกษาแบบดั้งเดิมหวังจะสร้างบัณฑิตการศึกษาของเราเป็นจุดสองระบบนี้ แบบใหม่ศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่สังคมสนองต่อความปรารถนาของสังคมถ้าคนต้องการต้องการการศึกษาระบบไหนมีคณานิยมอย่างไรต้องการทางเศรษฐศาสตร์ก็มาผลิตวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นบัณฑิตนักเศรษฐศาสตร์ขึ้นมีนผลผลิตเพื่อแก่สังคมถ้าคนต้องการครูบาอาจารย์ก็มามาเพิ่มเป็น ครุศาสตร์ต่อการสังคมที่ดีที่งามก็เข้ามาฝึกมหัยมาเรียนสังคมศาสตร์นี่ที่กล่าวว่าเปกา ร, รศึกษาแบบเพิ่มผลผลิตให้แก่สังคมสังคมต้องการอะไรเพิ่มผลพ ล, ลิตกา ร, รศึกษาชนิดนี้เป็นกา ร, รศึกษาชนิดใหม่แบบจัดตั้งแต่แบบดั้งเดิมคือกา ร, รศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตไม่มีใครมอบบัณฑิตให้หรอก แบบเก่าแต่เป็นแบบดีแท้ไม่ใช่แบบดีตำ ต, ตามกระดาษตามดีกรีตามริฟโฟมาเมื่อจบการศึกษาแบบนี้จะ ไ, ได้เป็นบัณฑิตแบบไต่เสกขาแบบฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรมและอบรมจิตใจพร้อมสติ ป, ปัญญาให้รู้เท่ารู้ทันความเป็นจริงของโลกของของชีวิตมันจะได้เป็นบัณฑิตเอาประโยชน์มาไปเคลื่อ น, ต, บบนตัวบัณฑิต อภมมตโตอุปโภตเถอาทิคันหาหิปะิตโตบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ได้ไม่ไดไม่ได้หมายควว่า จ, จะต้องไปเรียนบที่ไหนไหมมีชีิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอภมมัตโตอุปโภตเถถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองอาทิคันหาหิปะิตโตถือได้อย่างนั้นเชื่อเป็นบะติ ทิทฐิธรรมเมจยโยอทโธโยจัตโถสัมปรายโกอัทธาพิสมาทิพิสมัญญาทีโรปันติโตติปวุจติประปยโยชน์ที่ตามองเห็นเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้ที่ถะไปว่าเห็นอเทอ่าได้คือด้านทางทรัพย์ยศไมตรีจิตมิทธะาพการได้มาซึ่งทรัพสมบัติ ดำองชีวิตอยู่ในในโลกในสังคมอยู่ได้อย่างย่สบายอันนี้คือประโยชน์ตาเห็นระโยจัดโถสัปปะรยายกและประโยชน์ที่เลยตามองเห็นตามองไม่เห็นเลยแต่เราเห็นต้องสำนึกทราบได้ด้วยใจก็ถึงเอาได้ประโยชน์ได้ศรัทธาศินสุตะจาคปัญญาทําเหล่านี้ เป็นทางที่จะถือเอาประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นประโยชน์แรกเป็นประโยชน์ตาเห็นประโยชน์ที่จะต้องเอาเอาจากคนอื่นก็ได้เอาจากนั้นก็ได้มาเข้าตัวเองแต่ประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นทัปปายีจัดโถสัปลายีโกประโยชน์ที่มองไม่เห็นน่ะคือประโยชน์ที่ไม่ต้องเอานีแต่ให้อันนี้เราอาศัยปัญญามองเห็นให้ออกไปแล้วสิทธลาออกไปได้ประโยชน์ในคุณค่าทางด้านจิตใจ ถ้าทําได้แบบนี้ผู้นั้นเป็นบัณฑิตเสียสละก็มีความสุขในการเสียสละมีอุดมคติดําเนินชีวิตอยู่ตามอุดมคติอุดมการ์ก็ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้หวังเอาความดีที่ตัวเองทันไปฝากไว้ที่ปากที่คนอื่นที่สังคมให้เข้ามายกย่องสรรเสริญเ ช, ชิด ช, ชูหมอบโลรม้อเกียร์อะไรไม่สนใจแต่เรามีความสุขอยู่ในใจเสมออันนี้เป็น ป, ป, ป, ประโยชน์ที่ตาคนอื่นมองไม่เห็น และตาเราก็จะมองมาเห็นจะเห็นได้ด้วยตาใจตาสติปัญญาที่ว่าทิฏฐิธรรมเมจโยอาโธโยจัดโทษสัมปรายจัโคอัตถาพิสมัญญาธิโรปันธิโตติปุวิจติประโยชน์ที่ตามองเห็นและประโยชน์ที่เลยล้ําตามองเห็นไปประโยชน์จากการเอาหาและประโยชน์จากการให้ ก็จะได้ทั้งสองผู้นั้นชื่อว่าบัณฑิตลักษณะเช่นนี้การศึกษาแบบใหม่ไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาได้ก็ได้รัดสร้างมาเพื่อจะไปเอาเพื่อจะไปเพิ่มเพ่มผลผลิตให้แก่สังคมถ้าเป็นพระเป็นเองก็เพื่อเพื่อจะซื้อเอาไปไนั่นแหละหาทางออกเพื่อจะไปเอาแต่การศึกษาแบบดั้งเดิมมีแต่จะให้ ได้มีแต่จะอยู่ในภาษาตานานี้และผิดชอบคุ้มครองภาษาตานายัางประโยชน์ให้แผ่ไพศาลออกไปเพราะฉะนั้นการศึกษารสองระบบเรามารวมกันในที่นี้ี่มีชื่อว่าเสขาปฏิปทาเอามารวมกันให้เป็นการศึกษาชนิดที่ราคาถูกที่สุดนะอยวว่าไปตีราคาสูงเหมือนเหมือนการศึกษาภายนอกที่ต้องเสียเงนินมากๆ บัณฑิตภายนอนจะต้องเสียเงินมากในการสร้างบัณฑิตมาแต่ละคนก่อนที่จะสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาจะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่พ่อแม่เลี้ยงดูมาจะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่ที่จะเพิ่มไปค่าเทอมค่าการศึกษาแต่บัณฑิตใ น, ใ, น ใ, นในสถาบันพุทธศาสนาในการศึ ก, บบ ก, กาษาระบบดั้ ง, งเดิมและบทไตสี่ขาราคาถูกมากเมื่ต้องเสียเงินเลยมีแต่คนแม่กินดีๆมาให้กินเนาะ วันหนึ่งซท็ก บ, บาทเป็นเราแต่จะขมข้าไหมนะลองคิดให้ดีนะเราจริงๆต้องเอาทั้งการศึกษาระบบเก่าและใหม่ทั้งภายในและภายนอกมารวมกันอยู่ที่นี่มองออกไหมที่พวกมาจนเหนื่อยไปภายในวงในคือของพระภายนอกวงนอกคือของโยมเก่าคือระบบเก่าใจศึกษาสินสมาธิปัญญา ใม่รบบจัดตั้งที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมาิ n g c o m i n a t i o n อบรมผสมภาษารวมกันภาษาฝรั่งเขาจะใชคว่าม i x ิภาษาลาว่าสัมภปีหุึกององุ่ลกันเนาะภาษาลาแปลงานได้สัมภปีสัพพะอิปิสัพพแปลว่าทั้งหมดปิแมแม้ทั้งหมดมารมกัน คนเรธรมาได้วอร์าปเปรี่ผีขอหลายๆมะพรวกัหลายดย่างนียโอ้ยจะดใดจดยงนี้ได้กดซับบีบไปสอนกุ้งสอนทิ้วใดหอนห่วงหัแม่มางัมใดตัวใหญ่ในตัวน้อหน้าทั้งกุ้งทงกับปูหน่อยปลาน่อยถ้าวันใดเงินไดไดวอรไดอย่างไง้โอ้ยโดยซับบุบีนั่นแหละทั้งดมารูเอยู่ง นี่อบรมแบบสามปีได้ทีไหนเขาจบอให้มันได้ประโยชน์ประสานหลักสูตรประสานแนวทางประสานระบบให้มันลงตัวเป็นบุรณาการตามแบบของพุทธศาสนาให้ได้การศึกษาที่ราคาถูกการศึกษาที่ราคาถูก และมีคุณค่าสูงส่งทางจิตใจต้องก้าวไปกับมหาจุฬาแมนบอก ร, รอบอวบแมนเมือม่อ ม, มีมีวงนอกมามางๆก็จะมาเกื้อกโนกันการศึกษาวงนอกคือญาดิโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวมามามาอบรมในระบบเดียวกันและวงในของพระจะต้องมาไปด้วยกันให้สงฆ์ที่พุท ญ, ญาติท่าน บ, บ, บอกบอกว่า อิเทวมิทังภพมจิยังบุสสติอัญญบัญญตินิสาญะโอคัสสนิสระนัตธายะสมาทุขขกขะยะอันตากิริยาญาติที่แท้แล้วเธอทั้งหลายทั้งคารวาดและพระสงฆ์ ทั้งสองฝ่ายได้อาศัยอยู่ซึ่งกันและกันอันย่อมัญญานิสยัยยากเื่อยังพรมจันทร์นี้ให้บริสุทธิ์ทั้งบริบูรณ์สิ้นเชิมสมบูรพร้อมเพื่อสละตนเองเ อ, ออกจากโอคะแก่วัตะสงสารเพื่อกระทําที่สุดทุกโดยชอบในขบวนการศึกษาขาบวนการนี้มันมีสามอันเท่านั้นคือมีศีลมีสมาธิและปัญญา ซึ่งเราพูดึ้นมาแต่ในเรื่องเหล่านี้แต่วันหนึ่จะต้องย้อนไปถึงศีลด้วยเพราะจะต้องมาคำํำถึงคําว่าอาธิบวชป้าผู้ประชายจะต้องบอกว่าอาธิจิตสิกขาอาธิศีลสิกขาอาธิปัญญาสิกขาสิกิจตภังจะต้องศึกษาจะต้องอบรมศีลอันยิ่งจิตอันยิ่ง สมาธิอันยิ่งจิตอันยิ่งคือสมาธินัน่นแหละแล้วกัปัญญาอันยิ่งนี่มันคืออะไรแต่ก่อนเราก็มีสินอยู่สมาธิเราก็อาจจะมีบ้างโดยธรรมชาติทุกคนมีสมาธิโดยธรรมชาติอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วก็มีปัญญาอยู่โดยธรรมชาติไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็มีสัญชาติญาณที่เรียกว่าเป็นปัญญาแบบแบบแบบอินสติทูออกลายเดี๋ยวเมื่อคืนนี้คุณชาวนา มีอยูี่เราต้องการจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นอธิศินอธิจิตอธิปัญญาจะเป็นยอดการศึกษาในทางพุทธศาสนานี้อะไรคือาาอธิศินอะไรคือาาอธิจิตอะไรคือาาอธิปัญญาเรา mani เรามาีศินเราจะมีอยู่สองสินสินธรรมดา เรียกว่าวาริตาสินอธิศินไม่ใช่ธรรมดาอธิเ ป, ป็นอะไยิ่งถ้าเรียกคำหนึ่งว่าจาริตาสินเอาฟังให้ดีนะอยู่วัดอยู่วของเราอยู่ในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเราก็มีศินสรยี่สิบเจ็ของเราจบรักษาโยนี่มันเรียกว่ากบองวัดอยู่ปะทํา อันนั้นในวันนั้นคือวาลิตาสินสินธรรมดาศิลนั้นไปเพื่อความคุ้มครองความเป็นอยู่ของสังคมญาติโยมอยู่ที่บ้านก็มีมีสินธรรมดาที่มีชื่อว่าวาลิตาสินคือสินห้าสินคุ้มครองไว้ซึ่งสังคมไม่ให้สังคมนี้เล่ารา้อนเบียดเบียนซึ่ง ก, กันและกันแต่วันนี้ต้องอัธิศินคือ จาริตสิลมันมีสองอันนะอันนึงวารีอันนึงจาริตะจริตะไปพัฒนาดีมันไปพัฒาไทยไม่ได้แปลทับศัพท์แปลเหมือนเหมือนเมือนสมบัน่อยจารีตราทาทาไปมาพอริพัฒนาเราบอมีตุมมีตัวหงหงห้องหองก็งงงว่าจารีตอันศิลนั้นเป็นหีดนะนะเป็นหีดเป็นคลอง สินที่เป็นการีการีของใครการีแบบอย่างของอริยชนอริยเจ้าสินุโบสถที่ย่าโยมนุ่งขาวห่มขาวมาที่นี่มาลักสินลระมาลักษาการีาารตัดสินคือสิลอันอยิ่งสินนั้นเป็นการีของอริยชนตั้งแต่พระ อ, อรหันต์ลงมาจนถึงพระโชดดัน จะต้องผ่านการรักษาสินอุวสช์เพราะเป็นจารีตเป็นจริตะเป็นทางไปทางดำเนินของอริยชนวันนี้เราจะตามรอยของอริยชนตามรอยของพระอริยเจ้าเราจะต้องมารักษาจริตศิล์คืออาทิศิลป์ยิ่งศิลบทหกเรดูเติมหลายกว่าเราอาทิเป็นยิ่งและไม่ใช่รักษาอย่างธรรมดาด้วยถ้ารักษาธรรมดาอยู่ที่บ้านปัอาไปที่จังไร หลักสิบแปดนันเพิ่น พ, พาเพิ่นกับพ่าเว่าพาพา่าวพูดก็ว่าตามพระเมื่อได้แล้วก็พากันนอนวัดเคี้ยวมากันกันคุยเรื่องลูกเขยลูกสะพ้ายนนนนเพื่อนใดเพื่นอนเน้อวัดคืนยังแจงมือเท่ากับเมื่อบม่ได้เห็นอยังดอกอย่ามวใชัยอาทิตย์สิ้นแต่มาที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นกินขอกินเดี่ยทงทงทงแล้วมือคู่ก่อนีงพอสิตายวก็พยายามอ้วนให้ไงข้าวแล้วก็ฉันครั้งเดียว กินครั้งเดียวมันกับพระและกิงในกาลังางอันเดียวไปพภาชนะ อ, อันเดียวปานพระพฝนเฉยชั้นะบาอัญญาพุนเทนะยาเป็นต่างกาเมสุนอนเปกิ น, นันติบอริพุกอาหารอันเจือปนกันไปในภาชนะอันเดียวยาอัตภาพนี้ให้เป็นไปไม่อะไรในขอบอรอร่อย การมีสุนทรภปกินันตีไม่อะไรในก้าวของอาหารนั้นว่าพาว่าบ่หัวซาน้าแซ่บมันยังกินเปลอกเพราะบาดตายก่อนจได้กินไว้ของไงมันน่งเบิ้งสะกดกระทำมุ่งทว่าจิทนจะจมหุ้มู้เพื่ออยู่พราานขั้วอะไรกินผ้าตบงกลติ้งติ้งกินไรแแซ่บจเพื่อนนั้นก็สินึีนะ อันที่เรามาสวบปฏิสังขะโยแป็พิจารณากวามจริงนั่นคือสิอีกอาทิศินนั่นไม่ธรรมดานะอาทิศินหรือวจาจริตศินของพระก็มีของโยมก็มีของโยมศินแปลกสินอโศสถนั้นเป็นอาทิศินเป็นจริตศินของโยมที่พระเจ้าบอกให้มาศึกษาอาทิศีระสิกขาสิกิตบัง ใหญ่ยก็เข้ามาศึกษามาถือสินแปลสินอุโบสถและถืออย่างเข้มข้นด้วยทำเหมือนพระจะอยู่จะกินจะไปจะมาจะตื่นจะนอนก็เหมือนกันส่วนอาธิสินของพระหรือว่าจริตะสินของพระของเดนก็มีอีกสินปฏิโมกของท่านสองอยี่สิเจ็ดข้อ นั้นเป็นวาลิตสินสินที่ที่ค้มครองสังคมของพระให้มีระบบชีวิตระเบียบสังคมของพระดาเนินชีวิตอยู่กับกรอบวันนี้สองรอยี่ิบเจ็นแต่อธิสินยิ่งกว่า น, นี้มาใช่นี้ไม่มากไม่มากมีอยู่เพียงสี่ข้อแต่ถ้าขายายตัวไปอีกมากกว่านั้นอีกหนึ่ง ปาดิโมกสังวรสังรวมในปาดิโมก อ, อันนี้เป็นตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งรวมอยู่ใ น, น, นสองร้ยี่ิบเจ็ดนสองอินรีสังวรสิงที่เรียกว่าปริสุธิสิสงศีจะดูจะฟังจะดมจะดื่มจะกินสัมผัสทางกายความคิดทางจิตใจเกิดขึ้นต้องสังรวมระวัง เมื่อเป็นตัวหน้าของมันนี่เป็นสิ่งนนอะไรไปบ้างอินเดีะสังวาลสิอนอะไรก็เป็นสิ่งนั่นอย่งเป็ น, เ ป, นเป็นบาริติสินเป็นจริตริสิของพระเมื่อได้ว่าคิดอยจะพูด ก, ก็พูดคิดจะทําก็ทําคิดจะดูก็ดูคิดจะฟังก็ฟังพระบางองค์เห็นเพื่อมานั่งสมาธิมากๆโอ้ยอยากไปน้ำเพลินดีอยากไปเราขึ้นเรือหือเาทำ้ว่าม่านละโวอาจารย์ขึ้ว่าม่านล นางพอได้วันนางพอได้นางบนโทษระทับใจเบิดพึ่งโ่ไปไงปะคือว่านางพอได้นางคงอนูไงนั่นแหละไม่มีวาลิตาสินไม่มีจารุตัสินไม่มไม่มีอาธิาศีรสิกขามเป็นทั่งฝนมาฟออัดยิ่งไงนอกจากนั้นก่อนที่จะกินก่อนที่จะใช้บริโภคใช้ซ้อย วัตถุอามิธสิ่งของบริโภคปัจจัยสีทั้งหลายต้องพิจารณาให้เอีเป็นสิ่งข้อหนึ่งของเธอแล้ว่าไปจารีตสินปัจจัยนิี้นิสิตาสินปัจจัยนนิสิตาสินพิจารณาให้แยวขายที่บริโภคปัจจัยสี่จีวรเครื่องนุ่งหม่มมิถะบัดเครื่องบริโภคขบฉันที่อยู่ที่อาศัยยา แก้รักษาเด็กป่วยไข้ต้องพิจารณาให้ละเอียดที่เราเรียกว่าปฏิสังยโยนิโสนะปฏิสังขานั้นแปลว่าพิจารณาโยนั่นนิโสอยู่ในใจขาหขาตั้งแต่ถ้าเกิเท่าค้าเค้าหากเด็กก่อสิจินก็อสินุงก่อสิตายก็อสไปก็อสมาเป็นสิ่งข้อนหนึ่งอาทิสิลงข้อนหนึ่งเป็นจาริตศิษัทเป็นระบบระเบียบของอริยชนพระอริยเจ้า ก่อนที่จะเป็นพระหรือเจ้าพระเาปฏิบัติไปตรงนี้ยังมีอีกข้อหนึ่งพวเราไม่ได้ทำอะไรเราก็รักษาไว้อาชีวปริสุทธิ์สินสินที่เป็นจารีของพระอเรียเจ้าไม่ทำได้จมนฟังแล้วอ า, อาจจะสะดุดสะดุดตรงขวารู้สึกไม่เลี้ยงชีพผิดด้วยธิรชานวิชาเธอเว้นขาดนะไม่เว้นเว้นทีละทีละวันสองวัน ปฏิวิลตามาธาปมาทาเว้นขาดจากความมองมองประมาทในการเลี้ยงชีพผิดด้วยดีรชาพวิชาเรียว่าอาชีวปริสุทธิสังวรสินของเธอมีอะไรบ้างยัถาปเนเกสมณัาิมนาพิขเวพิกสูทั้งหลายสมนพราหมณ์บางจำพวกกินก้อนข้าวของชาวบ้านคมนิคนราชธานีเคืือบดิมหาศาลรามหาศาลในแวนแวน ที่เขาถวายแล้วด้วยศรัทธายังเลี้ยชื่อด้วยชาวิชาหลอกลวงเขาด้วยเวทมนตก์คาถาเป็นหมอศักดหมอเศษหมอปุกหมอเศษหมอรดน้ามนต์หมอพ่นน้ามัหมอศักกหมอหมอเสกบลอันนี้ผมบอเองเขยไปวหว้ผมอกเนียใหที่เค่เนียเป็นหมอศักกรมอเศกบาลซัดแกบโปรสาย เป็นหมอผีหมอเสน่ห์หมอทำนารสนะเราจะมนลพ่นน้ำหมักแม้นี่ก็เป็นสิลของเธอประการหนึ่งพิสูจน์ในธรรวินัยนี้เธอเว้นขาดไม่ทำเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นสินของเธอชื่อว่าอาชีวบริสุทธิ์ของสินอันนี้เป็นจารีตสินของเธอสิ่งที่เป็นจารีตที่พระอรหันต์นพระอรหันต์ทั้งหลายพระฤาษีเจ้าทั้งหลายไม่กระทาเราก็เป็นลูกศิษย์เป็นตาบุกของพระฤาษีเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทํา เ้นขาดเหมือนกันไม่ได้กินให้ไส้ไหลออกมาตายกลางนดืก็ยอมไม่ยอมก้มหัวกับความชั่วช้าเหล่านี้ชีวิตที่ดำเนินชีวิตที่ผิดแต่นี้สิล้นของเราทั้งสี่ประเภทนี้จะรักษาไปให้ให้บริสุทธิ์จริงๆชื่อว่าอาธิสินรักษาด้วยอะไรหนึ่งปาติโมกสังวรสิล ทำโดยในปาฏิโมงในเว้นข้อที่พระเจ้าห้าวทำตามข้อที่พระเจ้าอนุญาตสิลข้อนี้ต้องรักษาด้วยศรัทธาต้องมีสถานในพระรัตนตรัยสถานพระเจ้าอย่างแรงข้าต้องเชื่อมั่นบักพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติพระเจ้ามุ่งสอนสิ่งที่คนทำได้มุ่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ตามลำดับแห่งความสุขงอมและความพร้อมของแต่ละคนก็องทำได้ ไม่ใช่ซ้อนรวมๆแรงๆถ้ามีสถานอย่างนี้เราก็ทําได้สิ้นที่ท่านให้เราทำชิ้นที่ที่จริงที่ท่านให้เราเว้นเราก็เว้นได้ก็ต้องรักษาได้ไม่ยากปาดโมงสังวรสิงรักษาไว้ด้วยสถานดูสิมันไปนคู่กันอยู่นะต้องสถานแะน้วเพื่อเจ้าจีกินจึงรักษาได้เจ้บยา ก, กีนจะเป็นหมื่นข้อแสงข้อก็ออรักษาได้ส่วน อินอินทัญญสังวรศินสิ่งคือการสำรวจอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อยังได้ยินได้เห็นได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสอารมณ์ตลอดทั้งสัมผัสทางกายต่างๆจะรักษาสิ่ง้อหนึ่งไว้ได้ด้วยสติไม่ได้รักษาไว้ได้ด้วยสัทธามี่สัทธาแค่ไหนยังรักษาไว้ไม่ได้ตัวนั้นต้องมีสติมากเราจะต้องมาเจริญสติทุกกรรมฐาน พอจะเริ่มตั้งกรรมหานก็เริ่เอาสติขึ้นมาพูดทานุสติทำมานุสติสร้างขานุสติที่ว่าตานุสติใจขานุสติสีหนุสติว่าไปนะไปถึงอาณาปานสติมาถึงมรณะนุสติถึงกายจะคดานุสติมีแต่สติสติถ้าเราจะเดินกรรมฐานต้องใช้สติมากเพื่อฝฟืสติมาเพื่อจะคุ้มของสินตัวนี้ด้วยมันเป็นคู่กันสีนข้อนี้จะต้องรักษาไว้ด้วยสติ สิ่งข้อที่ผ่านมาไม่กินและสายวด้วยศรัทธาต่อมาอาชีวะปริสุทธิที่สินเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ไม่หลอกลวงด้วยดีรฉมิชาเป็นหมอสักด์หมอเศษหมอหมอบอกเลขบอกบอกหวยหมอทำนายหมอทำนาลักษณนะทำนาอะไรต่ออะไรก็ตามเพื่อหายกินประเภทเนี้เธอเว้นขาด สิ่ข้อนี้เธอจะรักษาไว้ได้ด้วยความเพียรเพียรพยายามที่จะรักษาถึงแม้จะตายไม่มีอยู่ไม่มีกินก็ยอมตายให้ไส้ไหลเล่าออมาทางทางขอไม่มีอะไรจะกินก็ให้มันตายไปยอมถึงขนาดนั้นจะรักษาสิ่ข้อนี้ไว้ได้ไม่มีกินไม่กินเลยอืดกับบริยากพคได้ปากอยากกับได้ขอแต่ก้มหน้าก้มตารักษาสิ่รักษาธรรมจเจริญสมาธิภาวนา แต่มีเครืมือหากินอยู่นั้นเลจะบอกให้มาได้โกหกหรอกเลยจะบอกให้ข้อสุดท้ายปัจจยะนิสิตัสสิสนพิจารณาโดยแย่ขายจึงใช้สอยจึงบริโภคปัจใจสินเครื่องนุ่มขมอาหารยารักษาโรคที่อยู่ที่อาศัยต้องพิจารณารายเอียดก่อนที่จะใช้จะสอยที่เราเรียกว่าบริสังขารโยน ไม่ได้พูดเปล่าๆที่เสียงนั้นต้องคิดละเอียดสีนข้อนี้จะรักษาไว้ได้ด้วยปัญญาปัญญาที่ละเอียดรละลึกก็ไปแห่งเข้าใจใช่จริงแบบอันนี้เป็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนี้ของผ้าของอาหารของที่อยู่ของที่อาศัยของยารักษาโรคอันนี้เป็นคุณค่าทเทียมๆเก๋ๆเปล่าๆตามคานยมที่โลกสร้างขึ้นเราต้องเห็นเข้าใจในขนาดขณะนั้นทีจ่จะรักษาไว้ได้บางข่างไหนตะถาม่นใจว่า เอถ้ามัวซื่อตรงต่อสินอีกนี้งจะมีอยู่มีกินได้อย่างไรป้านเมืองเขาไม่ชอบมีครับมีมีนะเครื่องมือหากินของพระเราเองม่ต้องกลัวว่าจะอดอยากไปดูที่โรงครัวเขาไปดูกลาคืนแต่ก่อนผมหนักแกงมากเขาไปดูผมเนมันเต้มีหมดทุกอย่าง พักนั่งอังยาพักมีซีซ่อนจำเป็นมาจะใไส่กองโงงอยู่ลงพวสิ่งที่ไม่เคยมีที่นี่มานก็มาพระอรยเจ้าของเราท่านทูทรงตรัสว่าอากังเคยเจเจพิกเวพิกขูลาภูอาสชังพิกสูทั้งหลายเท่าเพอเท่เธอทั้งหลายจะเพิงหวว่าห ว, วังว่าทำฉะไหนหนอเราจะเพิงเป็นผู้มีลาภ เรไปหาสือเลเหาบอเลบอกเบอรไปให้มกระตอกกระูดอกเธอจงทำอย่างนี้ะครับสีราวเสนะริปูรการีเจโตสมัธะมนุษยุโตอจฉตังเจโตสมัะมนุษยุโตพิปัสนายสัมนาขะโตสุยาคาลานิภูเหตตพี่สาวทั้งหลาย ถ้าเธอทั้งหลายจะพึงห ว, วังว่าทำฉะไหนหนอเราจะพึงไปผู้มีลาภจีวอลบินสบะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศาัยระยารักษาโลกเธอพึงทําอย่างนี้ศีลาวเสนาปริปูรกา พ, พึงรักษาสินของเธอให้บริบูรณ์อัชตังเจโตสมรถรมนุยุตโตอัชตังแปว่าภายในนะเจโตก็ลว่จิตสมรสมรคสงบ เธอเพิ่งทําทความสงบให้เกิดขึ้นในจิตภายในอยู่เสมออยากถื่ขึ้นมานั่งไปเด็กแต่เด็กมนะันมีมารถมาทมากินซินีนะ่นนกินจนว่าเป็นเยอนะเลยหนึ่งแม่ได้บอกวิปัสสน า, ายาสมณาขะโตถึงพร้อมด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งพิจารณาอยู่ในใจเป็นวิปัสสนาชุญญคารานิภูเหตตามันพ่อพูนความเป็นอยูนน่อย่างไม่เกินกลนอย่าเรามานั่งกันเป็น้าร้อยร้อคนเมื่อนั่งคนเดียวไม่มีเสียงเลยเงียบนี่ชุญญคารานิภูเหตตา เพียงแค่นั้นลาบสักลาบเหล่านี้ก็จะมีมาเห็นมันมันมาผมนึกถึงคําพูดของคนโบรานแถบศรีสกเกตพู ด, ดีดีอยากกินกุ้งห้เอานางไฟ ก, กั้งคนกุ้งผีบาปเราจะไปเถึ่อนางอยากกินก้วงห้เอาด่างไปสอนปลาทุกบอนเท่งพูดสิถื่อนางกงุวกงโตก้วงเต็มเต็มต้นนางสืเถืถ่อด่างเจ้าแล้วเสบได้ลาวกุง้งน โอเจะเลเ็นอะไพคนบทวยบาทวันใดเนาะนางในขี้อย่างอยากกินกุ้งให้เอาเอาเอาตะข่ายที่ที่เป็นนานๆน่ะเป็นภาษาอีสามว่า น, นางไปกลางเอากวงอางฟังกุ้งนั่งสิบเถื่นางอยากกินควางให้เอาด่างไปสอนปลาบึกบ่อนเทิมผู้สิเถื่อนนางกวงตึงเต้นโตน้ำสิบเถื่อนดังเจ้าแล้วพระพุทธเจ้า ท่านสอนพระนุรุทัะดูก่อนพิโสเธอพึงขึงตาข่ายคือสติก็ให้มั่นคงทั้งเบื้องบนเบืบ้องล่างทั่วทั้งตัวสัมปชัญญะอาตาปีสติมาสัมปชาญโณสโตกาดีสัมปชานัการดีโอ้ิเธอพึงขึงตาข่ายให้ทีด้วยสติและสัมปชัญญะตื่นมาตื่นมาแล้มานั่งขึงด้ ตาคายขาดทุนทางกนโกนังตาคายขาดคืไว้เธอพิ่งขึงตาคายไว้ทั้งเบือบบ้องบนเบื้องล่างโดยโดยรอบมีความรู้สึกตัวจนทั่วพร้อมและพึงเธอพึงตั้งมั่นอยู่ในความสงบภายในเหมือนแมล ง, ง, งมุมเหมือนแมล ง, ง, ง, งขึงตาคายแมลงทั้งหลายพวกลิ้นพวกยุงจะบินมาติดคายตาคายแมลงมุม อะไรมึมงจะไปจับกินเสื้อเป็นอาหารเมื่อเธอขืนตาขายไว้สิ่งที่เธอปรารถนาจะมาเถอถูกขายของเธอเมื่อถือนางไหนบอกโอ้ยว่าขวดเมื่อถึงนางผู้ใดล่ะนางสาวลาอยู่นี่มื่อถือว่าช่นไปกองกอญญันอุยงกันพอเราไปบอกเลขเด็กพอเราไปไปแลกเลยเอาเอาของดีไปแลกไม่ไดะแล้วลรักษาสินได้ไว้ดีกว่าอันนี้คืออธิสินที่พูดมามากเลยอธิสิน อธิสินของยงเหับมึงกันพ่อไม่ออกเึ้ื่องด้วยนี่อยู่บ้านเพื่อได้จมาเห็นให้กินปันเพื่ได้จะมาตั้งกันขอเสตโตให้กินปันเนะาะเขาเขาสลับคว่านุ่งเขาของเขามันมีพวกมาตั้งให้กินวันนุ่งอยู่ีนุ่งอยู่เพื่อนแต่ว่าน้องขาค้อห่าอยู่ผมเพื่อได้ะไปตั้งโตให้กินมือมาตึกมืมาถึงนาโมจตัวเนี่ยอธิสินของโมจตปีนั้นพาไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอุราชธานีอำเภอเดอุดมยม ทางกรธรักามอาจารย์บอกให้็นด็กู่สิงกินน้ทำดูสิงกินกินอกินสิงเป็นสิงกินเป็นบ่อคนน่ะมันสิ่อสว่ากินสิ่ขอยู่จะน้าสิงนสิได้กินหนังหรอวะมันได้กินอย่างแล้วอยู่บ้านอได้กินแม้พอมันกินเป็นบ่อหสิงมันกินเป็นบ่อหะคนมันสิสเกบอกมือได้สิงมันกินเป็นบ่อกินเป็นแม่อาจจะมีสิ พอถึงตอนเช้ามานั่งสมาธิได้เววไปตาอาหารในโต๊ะเป็นแถวคนได้แปดเก้าร้อคนปีนั้นเข้าแถวตากอาหารผมตัดก่อนผมก็เสร็จพราะเป็นหัวหน้งานาเสร็จแต่ก่อนผมจะเดินได้ผมก็เดินเดินเดินเดินไปเฝ้าดูเห็นพ่ายใไปตักไปจับอาหารอยู่ในโต๊ะพอไงอันนี้ไม่ว่าตัวใส่พอญงอยู่ทั้งโต๊ะนี่พวตั้งหา้ว่าอยู่เพื่อน บ่มีแล้วละวไว้ชิไปให้กินอิู่เึ้ือ่ะลวอันนี้มั่าๆนะยังเขาบอกนุ่เขาของเขาเพราะว่าจสินไม่ชิ้นมากพอโอ้อของันเราของัอันนี้มากินสินล้วอ่ะสินนึงไปกินเป็ดด้วยเรา่ะกินได้นะอยู่สินกินไหครับอันนี้เราฟังนี้คืออธิสินอธิจิตเดี๋ยเวลาก่อนมันเหนื่อยไม่มีเสียงล่ เอ า, าไหมเอาใจาาไหมพี่เรียมผมนั่งอยู่ครับ อ, อันไม่มีเสียงพ่นยาแล้วไม่ให้กินน้ำอีกก็อยากกินน้ำ